ต อ, ตอนช่วงวัยรุ่นนะก็ประสบอุบัติเหตุนะต้องอยู่โรงพยาบาลร่วมสองเดือนกว่านะพอหลังจากรักษาตัวออกจากโรงพยาบาลแล้วรู้สึกว่าแบบเ <c oughs> บื่อโรงพยาบาลมากเบื <c oughs> ่อเพราะอะไรเบื่อเพราะเราไปไหนก็ไม่ได้นะน แล้วก็อยู่แต่ในห้องนะแล้วก็อาหารการกินก็ซ้ำซ้ำซากๆนะมนเป็นความรู้สึกรู้สึกเบือ่อไม่อยากกลับมาอีกนะนะหรือกลับมาก็จะ ร, รีบไปรีบออกไปเร็วๆนะเคยคุยกับหลายคนก็คล้ายๆกันแบบนั้นนะเวลาถ้าใครเคยป่วยแล้วต้องอยู่โรงพยาบาลนา น, นๆเนี่ยก็ หลัากนั้นก็ความรู้สึกเนี่ยเบื่อโรงพยาบาลก็ไม่ค่อยอยากจะกลับมาอีกตนน่นนก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆนะเวลาตอนจะเอนทานเนะี่ยจะเลือกการเรียนหรือเลือกการทํางานก็จะไม่เลือกเนะี่ยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเลยเกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางนี้เลยมาเป็นความรู้สึกนาะ แต่พอตอนหังพอได้บวชแล้วมันก็กลายเป็นพอเป็นพระนะมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนเจ็บคนป่วยคนแก่น ะ, นะรวมถึงคนตายด้วยนะทีการได้ไปเกี่ยวข้องกับตรงนี้แต่ก่อนที่เคยเบื่อนะคราวนี้มันก็พอเราไปเกี่ยวข้อง เช่ตอนดูแลหลวงพ่อตอนที่ท่านอาพาธนะปีสี่เก้านะต้องอยู่โรงพยาบาลหลายช่วงนะบางช่วงก็อยู่เป็นเดือน ก, กว่าได้วยซ้ํานำะหรือตอนดูแลพระอาจารย์ฉัดที่ท่านไม่สบายนะก็ท่านป่วยหนักพอสมควรแบบนี้เนาะก็เราก็ต้องดูแลหรือบางทีก็พาไปหาหมอ หรือทีก็ไปเยี่ยมตอนที่อยู่โรงพยาบา ล, ลนะมันก็พลิกอีกมุมหนึ่งนะเวลาเราเวลาเราไม่ได้ป่วยเองนะแต่เราไปดูแลในคนะผู้ป่วยหรือเวลาเราไปเยี่ยมผู้ป่วยเนะี่ยมันก็พลิกอีกมุมหนึ่งแต่ก่อนตอนที่เราป่วยเองเราเบื่อนะเบื่อในแง่การดูแลรักษาหรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆ แต่ถ้าเราได้ไปพอเราได้มาบวชพอได้ไปเห็นคนป่วยเนาะความเบื่อเป็นอีกแบบหนึ่งนะเบื่อเบื่อในแง่เบื่อหน่ายในร่างกายเนาะที่ที่สักวันหนึ่งนะเราก็อาจจะเป็นเช่นนั้นนะมันไม่ใช่เบื่อโรงพยาบาลแต่มันเป็นเบื่อเบื่อหน่ายในร่างกายนี้ที่มันมันไม่สามารถที่จะ กำหนดได้เนา ะ, นะเรากำหนดให้ไม่แก่ก็ไม่ได้นะกำหนดให้ไม่เจ็บไม่ป่วยก็ไม่ไดนะ้เราเห็นเลยส่วนใหญ่หลายคนที่ป่วยก็มักจะพูดว่าไม่อยากป่วยนะหรือป่วยแล้วก็อยากจะหายนะทำไงก็ได้ให้มันหายแต่มันก็เห็นเลยว่า ธรรมะน่ะบอกเลยว่ามันกําหนดไม่ได้นะ่ะแม้เราอยากจะหายแต่มันก็ไม่หายนะ่ะแม้เราไม่อยากเจ็บมันก็ยังเจ็บอยู่แบบนั้นแหละ น, ะนั่นมันมันจะเห็นนะมันมีความเบื่อมีสองแบบนะบางทีเบื่อแบบหนึ่งคือเราไปเบื่อสิ่งภายนอกเนยะการเบื่อสิ่งภายนอกเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็มันก็จะทําให้เรา คิดว่าเป็นเรื่องความทุกข์ใจเนาะนพอเราเบื่อสิ่งภายนอกพอเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเช่นตอนนั้นรู้สึกถ้าเบื่อโรงพยาบาลพอเราต้องกลับไปโรงพยาบาลเนี่ยจะรู้สึกหดหูน่นแม้กลับไปเยี่ยมคนป่วยหรือแม้แต่กลับไปทําธุรกิจกับการรักษาตัวเนี่ยจะรู้สึกหดหูไม่อยากมาเนี่ยเบื่อแบบนั้นแล้วมันมันจะทุกข์ใจแต่ถ้าอีกอย่างหนึ่งเราเบื่อหน่ายใน ในร่างกายเนาะอาจจะยังไม่ใช่ถึงที่สุดนะแต่ก็เบื่อหน่ายที่เห็นว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นรังของโรคเนาะร่างกายของเราเองก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีเนะี่ยมันก็เป็นแบบนี้เนะี่ยมันถ้าเราเกิดจิตที่เรียกว่าน้อมเข้ามาใส่ตัวเนาะเราเห็นคนอื่นเขาป่วยเห็นคนอื่นเขาไม่สบายเห็นคนอื่นเขาแก่ เห็นคนอื่นเขาตายเนี่ยเราลองน้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ยมันจะเกิดความเบื่อหน่ายครายกำหนัดเนาะความเบื่อหน่ายเนี่ยมันจะทาให้เราเกิดการคลายความกำหนัดเนี่ยความกำหนัดก็คือความพอใจในรูปนี้เนาะเราคิดว่ารูปเราตอนนี้มันแข็งแรงดีเนี่ยมันไม่มันยังพอมีแรงได้แต่ถ้าเราเนี่ย น้อมเข้ามาใส่ตัวมาพิจรารณาเราก็เห็นว่าวันหนึ่งนั่นแหละเราก็อาจจะเป็นมะเร็งร้ายวันหนึ่งเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะวันหนึ่งเราก็อาจจะต้องไปนะกลับไปนอนที่โรงพยาบาลแบบคนอื่นก็ได้นะมันน้อมเข้ามาแบบนี้เนาะมันก็จะทำให้ชีวิตของเราก็จะไม่ประมาทเนาะนะ ไม่ประมาทที่เราคิดว่ามันจะเป็นกับคนอื่นเท่านั้นเหรอนะกับเราเองก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะอีกส่วนหนึ่งมันก็จะทําให้เรานอกจากเราไม่ประมาทแล้วก็จะทําให้เราเห็นว่าที่จริงมันก็เป็นธรรมชาติเนาะธรรมชาติที่เราก็เปิดใจยอมรับไว้ว่าถ้าเราเป็นจริงๆนะ เราก็ต้องยอมรับมันให้ได้นะนะอย่างเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยนอกจากเนะีส่วนใหญ่ก็จะไปดูคนคนป่วยคนอื่นด้วยนะเวลาไปดูคนอื่นป่วยเนี่ยเราก็จะบางทีก็คิดน้อมคิดไปด้วยนะโอ้คนนี้แต่ก่อนเขาก็เคยหนุ่มเคยสาวเนาะตอนนี้ก็แก่ตอนนี้ก็ป่วยเนี่ยโอ้มันก็เป็นแบบนี้เนาะ มางทีเห็นคนเดินไม่ได้เนะี่ยแก่เดินไม่ได้หรือว่าป่วยแล้ว้าใหญ่ๆนะหรือเป็นแพ้เยอะๆเดินไม่ได้แต่ก่อนคนนี้เขาก็เคยคงเคยเดินได้นะคงแข็งแรงทำการทำงานได้เนาะตอนนี้ต้องให้คนพยุงตอนนี้ต้องนั่งรถเข็นโอ้ตอนนี้ต้องนอนบนเตียงนอนเนี่ยนะ ถ้าเรามองดีๆเราจะไม่ได้เห็นแต่เขาตอนนี้นะเราจะเห็นเขาในอดีตด้วยนะมันก็จะน้อมเข้ามาโอ้แต่ก่อนเขาก็เป็นแบบแต่ก่อนเขาไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะตอนนี้เขาเป็นแบบนี้เนาะเราก็จะย้อนมองเขาย้อนเข้ามาดูตัวเองนะโอ้ตอนนี้เราเป็นแบบนี้เน่ะแต่อนาคตเราอาจจะเป็นแบบเขาก็ได้นะ เรามองแบบนี้นะมองแบบเห็นเขาในปัจจุบันย้อนมองย้อนไปมองเขาในอดีตนะพอย้อนไปมองเขาในอดีตเราก็จะเห็นตัวเราในปัจจุบันนะแล้วก็ดองคิดดูเราในอนาคตนะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะถ้าเราคิดแบบเนี้ยย้อนนะย้อนคิดแบบนี้นะมันจะทําให้เรารู้สึกเออ ร่างกายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เนี่ยเนี่ยเราก็ดูนี่ยดูตัวเองเวลาถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับคนป่วยคนไม่สบายเนี่ยเราจะได้ได้สติเนาะได้สติได้ปัญญาสติคือทำให้เราระลึกเนี่ยเราลึกถึงสัจธรรมได้เนาะคาว่าสติเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราระลึกได้ว่า กระลำยืนเดินนั่งนอนทําการทํางานอะไรเท่านั้นนะแต่จริงสติที่จะระลึกแล้วเกิดปัญญาก็คือเนี่ยระลึกแล้วเห็นสจัจจธรรมว่าโอ้เนี่ยแหละสัจธรรมชีวิตคือมันมีความความเป็นทุกข์เนาะทุกข์ของร่างกายเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะทุกข์ของจิตใจมันเป็นแบบนี้เนาะทุกชีวิตโอ้เมันก็เป็นแบบนี้นะ มันระลึกแล้วถ้าระลึกแบบนี้มันจะเกิดปัญญานะแต่ถ้าระลึกแค่อริยาบทเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สติเบื้องต้นนะแต่มันก็เป็นสติที่ที่จําเป็นก็ต้องมีนะแต่สติเบื้องต้นเนี่ยเพื่อให้มันเกิดปัญญาในท่ามกลางแล้วก็ที่สุดนะให้เราเห็นเนี่ยแหละเห็นร่างกายมันเป็นอะไรที่มันไม่ควร ยึดถือไม่ควยึดมั่นถือมั่นนะร่างกายเนี่ยมันเป็นรังของโลกเท่านั้นนะยิงถ้าเราเห็นด้วยสติปัญญามากขึ้นร่างกายมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเนี่ยนะนะมันก็จะไม่ยึดถือในความเป็นร่างกายของเรานะนะมันเราก็เห็นว่าเออมันเป็นเพียงแค่เรายืมเข้ามาใช้นะ เราเกี่ยวข้องกับเขาแค่ชั่วชีวิตนี้เท่านั้นนะเราก็จะเห็ น, นเราก็จะดูแลแล้วเราก็จะใช้เขาให้มันคุ้มค่าที่สุดอันนี้ถ้าเราดูดูคนอื่นกอย้อนกลับมาดูตัวเราหรือเราเคยอ่านข่าวไหมอ่านข่าวหรืออ่าน จะเป็นนิยายอ่านเป็นอะไรก็แล้วแต่นะอถ้าเราอ่านโดย ด, ดีนะแล้วก็ย้อนเข้ามาใส่ใส่ตัวเนี่ยมันก็เกิดความสอดสังเวชนะเคยอ่านวรรณกรรมเรื่องหนึ่งนะชื่อชื่อกองติสเนี่ยเป็นวรรณกรรมรนะดับแบบโนเบลเนาะได้รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเนาะก็ อ, อ่านด้วยความอยากจะ อยาจะอ่านวรรณกรรมแบบคลาสสิกนะก็อ่านหลายๆเรื่องนะอ่านเรื่อง Gong กองทิศก็มันเป็นเรื่องการแบบมีคนคนหนึงนะ่งอ่ะเขาก็แต่ก่อนก็เคยคิดว่าแต่แต่ก่อนโดยเองก็เคยมีฐานะดีนะแต่สุดท้ายพอเกิดสงครามนะในเมืองที่เขาอยู่เนะี่ยเงินทองที่จะก่อนเคยมีค่านะ เงินเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนเศษกระดาษนะไม่มีค่าอะไรนะทองคำเองที่มีราคาสูงต่อไปก็พอเกิดสมคามก็แลกได้เพียงแค่ไม่กี่อย่างนะแลกข้าวสารได้นิดๆหน่อยๆอาหารกะกินได้นี่หน่อยมันคล้ายๆเขาก็สะท้อนให้เห็นว่าไอ้วัตถุนะที่เคยมีค่าตอนที่คาวปกตินะไม่ว่าจะเป็นเงินทอง ตำแหน่งหน้าที่การงานแนี้เนาะแต่พอเกิดข่าวสมคามขึ้นมาเนี่ยแทบจะไร้ค่าทั้งนั้นเลยแต่ของจริงที่ไม่มีค่าคืออาหารการกินนยะหรือว่าการมีชีวิตนะมีค่ากว่านะทำยังไงก็ได้ให้ได้มีอาหารการกินเพื่อให้ได้มีชีวิตนะมันเป็นสิ่งที่ที่สำคัญที่สุดนะ อย่างอื่นเนี่ยไล้ค่าไปเลยพอถึงข่าวเยพอถึงข่าวทุกเนะี่หมายถึงว่าพอถึงข่าวเกิดปัญหาเช่นสงครามอนะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนหนึ่งแต่ก่อนก็เขาก็คิดว่าเขาซวยหรือว่าเขาเองเนะี่ยทําไมต้องมาเจอแต่แบบนี้ด้วยเนะี่ยแต่ขณะที่เขาอพยบเนะี่ยเดินทางไปในเรือเนะี่ ก็ได้เจอผู้คนหลายคนนะพอได้คุยกับผู้คนหลายคนก็รู้ว่าเออแต่ก่อนเขาก็อาจเขาเคยรวยกว่าเราอีกนะบางคนมนเป็นถึงนางงามนะนะแต่ตอนนี้หน้าตาอัปลักษ์นะไม่น่าดูบางคนเคยเป็นมหาเศรษฐีตอนนี้เป็นยิ่งกว่ายาจบนะเขาก็เห็นแบบนี้บ่อยเห็นแบบนี้บ่อยโอ้นะ มันก็เกิดแบบมันก็เป็นแบบนั้นเนาะพอเวลามีสงครามแม้อาจจะเป็นในนิยายนะแต่ที่จริงในชีวิตจริงถ้าเราเคยอ่านเช่นสงครามในเมมขมนสงครามหรือว่าในเมืองจีนในญี่ปุ่นหรือว่าตอนช่วงนาซนะีในโปแลนด์อะไรแบนันะ้ภาพแบบนั้นก็เป็นเรื่องจริงนะ เวลาแบบประเทศไหนที่มีสงครามแล้วเนะี่ยชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองเนะี่ยแทบจะไร้ค่านะถึงที่มีค่าที่สุดคือชีวิตนะทำไงก็ได้ให้มีชีวิตอยู่นะเพื่อได้ประทังชีวิตอยูนะ่หลบหนีออกมานะดิ้นรนทุกทางนะเราอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ก็ยัยงถือว่าโชคดีใช่ไหมนะ เป็นประเทศที่ไม่มีสงครามถ้าสมมติตอนนี้เราประเทศไทยเราเหมือนซีเรียแบบนี้นะเนาะเกิดสงครามกลางเมืองแบบมีเหตุการณ์ฆ่ากันตายรนะะเบิดพีขีพเยอะแยะมากมายอนยะู่เนี่ยเราจะอยู่แบบสงบสุขได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้เนาะมันต้องคอยหวาดระแวงหรือว่า ต้องอยู่ในที่ที่เฟฟจริงๆนะแต่เราก็ไม่แน่นะประเทศไทยเราก็อย่าไปคิดว่ามันจะเที่ยงนะอย่างที่เคยพูดอย่างประเทศฝรั่งเศสไปดูคอนเสิร์ตนะไปกินข้าวไปดูฟุตบอลนนะแต่ก็อาจจะไม่รอดนะเจอระเบิดทีชีพก็ไดนะ้หรือในอเมริกาเนาะในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย อยู่บนตึกดีก็เดินเครื่องบินถล่มเลยนะคนเราพอถึงข่าวจะตายนะมันก็ก็ตายน ะ, ะ, ะก็อาจจะเกิดแบบนั้นก็ได้เนี่ยเรากเรา็เราอ่านหนังสือเราอ่านข่าวเราดูทีวีนะบางทีก็อ่านข่าว อ, อุบัติเหตุอ่านข่าวคนป่วยคนไม่สบายนะหรืออ่านหนังสือ เรื่องราวพวกนะี้มันเกิดประโยชน์นะเกิดประโยชน์ให้เราได้น้อมเข้ามาเห็นความความไม่เที่ยงนะของชีวิตนะความไม่เที่ยงก็คือมันคล้ายๆเหมือนกับชีวิตเราเหมือนกับแก้วนะเหมือนกับแก้วที่มันบางๆนะนะตั้งไว้นะ่ะในที่ที่มีคนสัญจรไปมาเนะี่ยโอ ก, กาสที่จะโดนคนเตะ แล้วก็แตกเนะี่ยมันมีอยู่ทุกขณะเลยนะนะถ้าเปรียบเทียบชีวิตเราเหมือนแบบนั้นนะนะเรานั่งรถเนะอาจจะเกิดอุบัติเหตุวันใดวันหนึ่งตอนไหนก็ได้นะมันไม่แน่นอนเลยหรือเราอยู่ในป่านะแต่ก่อนอยู่สุกรโตอยู่ภูหลงนะคิดว่าก็ปลอดภัยนะไม่ค่อยได้นั่งรถอะไรนะแต่ก็คิดอยู่เสมอบางทีเราก็อาจจะตายเพราะถูกงู ก, กัดก็ได้ ตายเพราะถูกต้นไม้ลมทับกุฏิก็ได้นะอืมอย่างที่ผู้หลงก็มีนะบางทีแต่ก็โชคดีนะต้นไม้ลมทับกุฏิเบอร์เกนะ้าเนี่ยโชคดีพระที่ท่านอยู่ท่านไม่อยู่นะมัก็อาจจะตายในกุฏิก็ได้เราได้ฟังตรงนี้เออก็เราเองก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันแหละนะย่างอยู่วัดป่านะ่ะอาจจะไมไ่ตายด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่ก็ไม่แน่นะ ไม่แนกแ่ก็ถูกงู ก, กัดถูกต้นไม้ล้มทับนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะเนะี่ยเราก็พยายามน้อมเข้ามาใส่ตัวนะน้อมให้มาเห็นว่าเออชีวิตเรามันมันไม่เที่ยงเนาะมันไะม่เที่ยงนะหรือช่วงดังนี้ออพอทำประทงานเรื่องประวัติหลวงพ่อนะก็ย้อนกลับไปดูภาพย้อนกลับไปดูคำสัมภาษณ์นะ เออเราก็เห็นเราเห็นรูปหลวงพ่อนะเห็นรูปครูบาอาจารย์นะเช่นหลวงพ่อจจรันนะหลวงพ่อนาดงนะเห็นรูปพระ อ, อาจารย์บรเทศนะหลวงปู่บรเทศนะเราเคยรู้จักนะแต่ตอนนี้คนเหล่านั้นก็ตายกันไปหมดแล้วนะค่อยๆทยอยตายกันไปนะ เห็นรูปญาติโยมสมัยเก่านะหลายคนก็ไปละนะก็บางที ก, ก็เกิดความคล้ายๆเกิดความรู้สึกนะแต่ออ ว, วันหนึ่งเราก็คงเป็นแบบนะั้นจริงๆแหละนะมีคนเห็นรูปของเรานะเราก็เป็นอดีตไปแล้วนะตอนนี้เราก็ไม่อยู่ในโลกนี้แล้วนะมันก็มันเหมือนชีวิตนี้เนาะมันเหมือนมีการพบ เจอกันแล้วก็ภาคจากกันเนา ะ, ะวันหนึ่งเราอยู่บนโลกนี้นะอีกวันหนึ่งเราก็ไปจากโลกนี้เหมือนกันเนี่ยชีวิตมันเป็นแบบนี้นะนะให้เราค่อยค่อยพิจารณาดูน้าน้องคิดพิจารณาดูแต่เราก็พิจารณาดูแล้วมันก็โชคดีนะที่พวกเราตอนนี้ได้อยู่วัดนะไปบวชก็ดีนะ ได้อยู่วัดปฏิบัติธรรมก็ดีเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะที่เราได้มีชีวิตยังมีชีวิตอยู่นะเราจะมีร่างกายที่แข็งแรงไระดับหนึ่งนะที่ได้มีโอกาสมาทําความเพียรได้ปฏิบัติธรรมนะเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีของเราเนี่ยจริงๆแล้วนะให้เราพยายามฝึกฝนตนเองเนาะฝึกฝนตนเอง พัฒนาจิตใจตนเองนะให้ให้มีสตินะอยู่เสมอนะมีสติเพื่อเตรียมให้มันเกิดปัญญานะเมื่อถึงคราวที่แก่เมื่อถึงคร า, าวที่เจ็บเมื่อถึงคราวที่ตายเนะี่ยมันจะเอามาใช้ได้นไงบางทีเราน้อมคิดนะมันก็อาจจะเป็นความรู้ที่เกิดจากการคิดนะแต่จะทําอย่างไรให้เรา เป็นความรู้ที่มันเกิดกับใจจริงๆคนะเมื่อถึงข่าวเจ็บนะเมื่อถึงข่าวตายมันใช้ได้ทันทีนะมันไม่ใช่ียงแค่คิดนะเหมือนกับคล้ายๆเรารู้สมมตินะสมมติเรารู้วิธีวิธีทำทานานะวิธีปลูกข้าวแต่เราก็ไม่รู้แต่ทฤษฎีนะ แต่เราก็ไม่เคยทํานาเราเราก็ไม่เคยเราก็เลยไม่ได้ข้าวนถ้าเรารอเราป่วยหนะักแล้วเราค่อยไปทํานานเพื่อจะเอาข้าวมากินนมันก็ต้องรอหลายเดือนนะกว่าจะได้ข้าวเหมันกับร่างกายของเราก็เหมือนกันนะบางทีถ้าเราร อ, ร อ, รอนะเราป่วยหนักรอเราใกล้จะตายแล้วค่อยภาวนาเนี่ย บางทีก็อาจจะไม่ทันการก็ได้นะกว่าจะฝึกผ่านนิวรณธรรมต่างๆนะกว่าจะเอ่อผ่านอารมณ์ต่างๆเนี่ยบางทีก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนนั้นเหมือนกับคนที่เขาไม่ประมาทเขามีความพร้อมเนาะปีนี้ข้าวเต็มยุ้งแล้วนะมีพอกินทั้งปีเนี่ยนี่ถือว่าไม่ว่าอะไรเนี่ย ไม่มีเงินซื้อข้าวแต่อย่างนั้นก็มีข้าวอยู่ในยุ้งเอามากินอยูนะ่อันนี้ก็เรียกว่าชีวิตทาโลกนะก็ไม่ประมาทนะมีอาหารการกินเตรียมพร้อมไว้แล้วนะชีวิตทำทำเองถ้าเราไม่ประมาทก็ยิ่งดีนะเรามีสติปัญญาเนะตรียมพร้อมว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาเราพร้อมรับมือได้นะเราพร้อมวางใจได้นะ เมื่อถึงคราวเจ็บเมื่อถึงคราวตายเนี่ยเออทำได้เลยนะอันนี้คือสิ่งที่ที่ดีที่สุดนะนะแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะเอาทำบุญนะเราคิดว่าเออเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยเราหลอกนะบางทีมันไม่แน่นะนะบุญที่เคยทำอาจจะยังไม่ส่งผลในชาตินี้ในตอนป่วยก็ได้นะ หรือว่าคนที่เคยเป็นกันมามิตรเคยเอื้อเฟื้อกันบางทีเขาก็อาจจะมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่อาจจะไม่ได้มาดูแลมาช่วยเหลือเราก็ได้นะนั้นเราพยายามพึ่งตัวเองเป็นหลักนะนอะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเรายอมรับมันนะยอมรับมันก่อนนะถ้าเรายอมรับมันได้นะใจเราก็จะคล้าย ไม่ดิ้นรนนะนะถ้าคนยอมรับความจริงไม่ได้อะมันจะโทษนั่นโทษนี่นะทำไมเขาไม่ทำหน้าที่ทำไมเขาไม่มาช่วยเราทำไมอย่างนั้นอย่างนี้นะมันจะไปโทษข้างนอกนะที่มันไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่แต่ถ้าเรากับยอมรับความจริงเออแม้ความจริงมันจะบกพร่องแต่เราก็ยอมรับมันได้เออ เขาก็อาจจะบอกพ้องแบบนั้นได้นยะมันก็เป็นความจริงแบบหนึง่งเราเองไม่สบายก็เป็นไดนะ้หมอพยาบาลไม่ค่อยได้ดูแลเต็มที่อ่ะก็ยอมรับได้นะส่วนนีเนี่ยคือใจเราพอยอมรับได้มันก็ก็ไม่เกิดการดิ้นร น, นขนไควยอะไรมากนะหรือถ้าจะดิ้นร น, นขนไควย ก็เป็นการดิ้นนอนขนควายแบบไม่สร้างความทุกข์ใจนะเราถามเราบอกเขาให้ให้มาดูแลเราเน้นนะให้มาเล่งรักษาเราเนนนะสมมตินะนะแต่เราก็ไม่ทุกข์ใจไม่ไม่เครียดนะไปด้วยก็ได้นะพุทธศาสนาเนี่ยมันสอนเรื่องการทำใจนะแต่บางอย่างเราก็ทำหน้าที่นะ แต่ก่อนนะเคยเคยใช้ชีวิตแบบบางทีก็เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมต่างๆแบบนี้เนาะก็มีเรื่องการประท้วงเรียกร้องนะงเช่นชาวบ้านที่เขาเรียกร้องที่ดินชดเชยจากการสูญเสียจากการสร้างเขื่อนจากการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอนะไรเขาก็ไปประท้วงกัน เราก็เคยไปอยู่กับเขากินกับเขาไปดูเขาอะไรนี่นะหลายคนก็เวลาเรียกร้องเวลาที่พูดถึงเรื่องนี้ก็ก็ทุกนะหรือว่าก็โกรธนะแต่หลายคนก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะแต่พอเราปฏิบัติ ท, ทาไปด้วยบางทีก็สับสนเอ๊ยทาไมหรือเราควรจะปล่อยวางเรื่องพวกนั้นไปเลยนะ ทางโลกมันก็ถ้าเราไปเรียกร้องก็เห็นคนทุกคนโกรธแบบนั้นแต่ทางธรรมเนี่ยค่อยวางไปเลยนะยอมแพ้นะ่ยยอมจำนนเนะี่ยแล้วแต่แล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมแล้วแต่จะจัดสรรเลยหรือเปล่านะแต่ก็มีฝ้าจานรูปหนึ่งนะท่านก็เคยถามท่านนะตอนนั้นมีชาวประมงนะ มีชาวประมงที่เขาเรียกร้องรัฐบาลให้คล้ให้ดูแลประมงขนาดเล็กที่ที่เขาหากินได้แต่ริมชายฝั่งนะหรือออกไปไกลได้ไม่ไม่กี่กิโลเมตรนะเขาถูกเรือประมงใหญ่เข้ามาบุกรุกนะในพื้นที่ที่เขาหากินใช้อวนที่มันตาที่ขึ้นหาเนะี่ ชาวประมงพื้นบ้านก็ออกไปเรียกร้องนะนะเราก็ถามพระท่านว่าเรียกร้องแบบนี้มันถูกหรือเปล่านะหรือต้องปล่อยเป็นไ ป, นปนตามตามธรรมชาติไปต้องยอมรับความจริงไปพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านก็ตอบนะตอบดี่นะบอกเรียกร้องก็เรียกร้องได้นะนะเราก็ทำหน้าที่เรียกร้องปกป้องสิทธิ์ของเรานะ ตามกฎหมายตามความชอบธรรมทางโลกนะแต่ส่วนหนึ่งเราเองก็ต้องวางใจนะวางใจว่าถ้าเรียกร้องไปแล้วอาจจะเกิดการตอบสนองให้ได้รับผลเช่นนั้นก็ดีหรือว่ามันอาจจะไม่ได้รับผลเช่นนั้นก็ดีนะเราก็ต้องยอมรับมันให้ได้นะ การวางใจคือแบบนี้วางใจคือว่าได้อย่างที่เราต้องการก็ยอมรับก็พอใจหรือมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการก็ยอมรับมันก็ต้องวางใจไม่ใช่ไม่พอใจเรียกว่าการวางใจคือผลจะเกิดขึ้นมาแบบไหนเราก็ยอมรับได้เราก็ไม่ทุกไปกับมันก็ได้ แต่ถ้ามันมีหน้าที่ที่เราต้องทำนะต้องเรียกร้องต้องปกป้องสิทธิ์นะเราก็ทำนะแต่ทำแล้วมันไม่ได้นะถึงที่สุดไม่ได้ก็ต้องวางใจอย่าไปทุกข์กับมันอันนี้อย่างทางโลกเนาะบางบางคนอาจจะเขาก็ไม่อยากจะทำหรอกแต่บางทีเขาก็มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นโครงการรัฐหรืออะไรก็แล้แต่ หรือถ้าเราจะย้อนเข้ามาใกล้ตัวหน่อยก็จางเรื่องร่างกายนี่แหละนะอย่างเรื่องร่างกายเนะี่ยก็คงไม่มีใครอยากจะป่วยนะอยากจะไปอยู่โรงพยาบาลอย่างนี้เนาะมันก็แต่ถ้าถึงวันหนึ่งที่เราต้องป่วยไปอยู่โรงพยาบาลต้องรักษานะเราก็ต้องดูแลรักษาร่างกายนะนะแต่เราก็ต้องรักษาจิตใจไปด้วยนะในขณะที่ดูแลกายที่ป่วย เราก็ดูแลใจนะที่ทุกข์ด้วยนะทํำไงใจถึงจะไม่ทุกขนะ์ทํำไงใจถึงจะไม่กนนะังวลเราก็ต้องทําหน้าที่ตรงนี้ด้วยนะอันนี้คือจะเรียกว่าเป็นเทวทูตเนาะเทวทูตนะ ท, ที่คอยมาเตือนเราเนะ่อย่างพระพุทธเจ้าท่านบอท่านเห็นเทวทูตทั้งสี่เนะี่ยท่านได้ออกบวช เดยสดะจัดธรรมโลกนะเพราะมึงบุ่งหาสัจธรรมนะเห็นความเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายนะเห็นสมณะคนะือความสงบนะบางคนก็เปรียบเทียบว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยเห็นเรื่องพวกนี้เลยนะอยู่แต่ในวังโดนขังไว้นะไม่ได้เห็นแต่ผมเองก็ไม่ค่อย เชื่อเท่าไรนะมันอาจจะเป็นก็เรียกว่าเป็นธรรมาทิฐานเนาะเป็นการเปรียบเทียบโดยธรรมนะท่านอยู่กับพ่อแม่ของท่านมาร่วมสาสิบปีจะไม่เห็นความแก่ของพ่อแม่เลยเหรอเนะี่ยสามสิบปีตั้งแต่ตอนเด็กๆนะก็ไม่ถึงสาสิบปีหล่ก็ยี่สิบเก้าปีนะก่อนบวชแต่ยี่เก้าปีเนี่ย พ่อแม่ของท่านที่ท่านเห็นเป็นประจำก็ต้องเห็นความแก่ขึ้นใช่ไหมครูบาอาจารย์พี่น้องที่เกี่ยวข้องก็ต้องเห็นความเติบโตเห็นความแก่ขึ้น ห, หรือในคัมภีร์พระเวทในหนังสือที่เรียนก็ต้องมีการกล่าวถึงเรื่องความแก่เรื่องความเจ็บเรื่องความตายบ้างแหละถ้าไม่งั้นจะเรียนจบศาสตร์ได้ยังไงอยู่นี้นะแต่มันอาจจะเป็นธรรมาทิฐาน พอถึงอายุยี่สิบเก้าปีนะเนออี่ยพอมันเห็นพอมันเ ล, ลึกแล้วมันเกิดความสังเวชนะสังเวชคือสะดดสังเวชแต่ไม่ใช่แบบสังเวชแล้วร้องไห้เสียใจนะแต่มันสะดดในชีวิตชีวิตมันมีความแก่มันมีความเจ็บมันมีความตายเนาะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นเทวทูตสามอย่างแล้วนะ แต่พอระลึกได้ถึงการที่จะแสวงหาความสงบนะก็ถือการระลึกได้ถึงการบวชนะการบวชที่จริงคือเป็นธรรมอาทิฐานในแง่ความสงบใจนะใจสงบใจพ้นจากความทุกขนะ์นี่ยนี่คือการบวชนะทําไงถึงจะพ้นจากความทุกข์ทำไงใจเราถึงจะสงบเย็นได้นะ พุทเจ้าทา้งก็คงและลึกแบบนั้นเนาะ ล, ลึกแล้วก็เออทางนี้นะเป็นทางที่แบบพาเราไปสู่ความทุกข์นะทางเป็นมหาจากักรพรรดินี่เป็นเจ้าปกครองเมืองนี่ก็ไม่เห็นว่าพ่อเราจะมิม่พ่อเราจะไม่ทุกนะออมีเมืองอื่นจะมาเบียดเบียนพ่อเราก็ทุกนะหรือว่า ข้ารบิวาลต่างๆมีปัญหาพ่อเราก็ทุกเนะ่มันก็ไม่ใช่ทางค้นจากทุกเนาะอันนี้ น, นี่ในพุทธประวัติเนาะบางทีเราก็ในชีวิตจริงเราเนะนี่ยบางทีก็ต้องฉลาดดูนะอย่างเวลาเราไปเกี่ยวข้องกับที่ไหนเนาะก็บาง ท, เนนทเาีเห็นคนที่เขาเห็นคนที่เขารวยโอ้แต่หนะ้าที่การงานยุ่งเหยิงสับสนเนี่ย เรามองแล้วเออก็สะลดสังเวชอีกแบบหนึ่งน ะ, นะชีวิตที่รวยชีวิตที่มีทรัพย์ชีวิตที่มีหน้าที่การงานเยอ ะ, ะก็เป็นชีวิตที่วุ่นวายไปด้วยนะเวลากินก็บางทีก็ไม่ได้กิ น, นเวลานอนบางทีก็ไม่ได้นอนเวลาทำงานก็หลายงานเหลือเกิ น, นยุ่งเหยิงสับสนไปหมดบางทีชีวิตแบบนี้ก็ ไม่รู้จะน่าอิจฉาไปทำไมนะ ม, มันเป็นชีวิตที่วุ่นวายนะนะบางคนก็เป็นแบบนั้นนะนะแล้วก็มองเข้าไปก็เออย้อนเข้ามาใส่ตัวเผยอแม้บางทีเราไปอย่างร้านค้าร้านไหนโอ้คนเยอะนะท่าทางจะวันหนึ่งคงขายของได้เยอะนะคงรวยแต่จริงเราดูเลยโอ้ดูเจ้าของเขาทำงาน ไม่ได้พักเลยวุ่นวุ่นวายกับการขายของเปิดด้านตั้งแต่เช้าปิดด้านก็มืดค่ําเลยน ะ, ะพักผ่อนแต่ตอนเย็นกลางคืนจะใช้ตอนกลางวันก็ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ทุกวันทุกวันมีเงินมีทองเยอะแต่ไม่มีเวลาได้พักผ่อนแต่เราก็แต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาอาจจะไม่ไม่ดีนะบางทีถ้าเขาฝึกจิตฝึกใจดีเขาก็อาจจะไม่ทุกข์นั่นแหละ แต่เราก็มาเทียบดตัวเองเออเรามีเวลาได้ภาวนาเนาะอาหารการกินก็มีที่อยู่อาศัยก็มีเสื้อผ้าเครื่องห่มก็มียารักษาโรค ก, ก็มีเออแค่นี้ก็พอแล้วนะชีวิตเราเรามีเวลาเพื่อการภาวนาเนี่ยก็ถือว่าโชคดีแล้วนะ อ, อ, อันนี้ก็พยายามเนาะชีวิตเราก็ดูคนอื่น ก็ย้อนกลับมาดูตัวนะหรือดูตัวเราก็จะได้ประมาทนะนะ่อนาคตมันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงแท้นะก็เร่งทําอะไรที่ควรทําก็เร่งทําตั้งแต่ตอนนี้แหละนะแต่เร่งทําไม่ใช่เร่งรีบนะไม่ใช่เร่งร้อนเร่งก็คือว่าไม่ผัดวันประกันพรุ่งนะเนะ่ไม่ทําตัวแบบ ดินพอกหางหมูนะงานงานในการฝึกจิตฝึกใจเราก็ทําทุกวันนะทําให้มันดีนะทุกวันนะนะไม่เกียดค้านนะไม่ย่อหย่อนนะแต่ก็ไม่เร่งจนทั้งมันเกิดความร้อนโนเกิดความทุกข์ใจนะบางคนภาวนานอยากจะได้ผลเร็วๆเนี่ยบางทียิ่งกับไม่ได้ผลนะนะถ้าเรา ภาวนาเพื่อหวังมักผลนิพพานนะอยากจะเป็นนั่นเป็นี่บางทีมันก็ยิ่งไกลมักผลนิพพานนะิพพานคือความเย็นใจคือความสุขใจคือความสงบใจนะแต่ภาวนาไปคิดไปเมื่อไหร่เราจะได้นะเมื่อไหร่เราจะเป็นนยะมันก็คือใจที่มันร้อนนะใจที่มันเร่งใจที่มันอยากนะมันเป็นอะไรที่มันตรงข้ามกับนิพพานเลยนะ แม้เราป่ารถนาแบบนั้นนะแต่มันก็ไม่ได้ถ้าเราวางใจแบบนั้นดันั้นเราก็ต้องนณะที่ภาวนาก็ต้องวางใจนะวางใจแบบอย่าไปหวังผลนะแต่เราทําเหตุนะเหตุก็คืออะไรเนะี่ยเรามีกิจวัตรอะไรที่จำที่สําคัญที่ต้องทําแล้วก็ทําแบบนั้นนะกิจวัตรนะเราอยู่วัดเราก็ทํากิจวัตรตั้งแต่ตื่นนะ สวดมนมมต์ทำวัดบิณฑ บ, บาต ท, ทานอาหารนะทํางานนะหรือเป็นคาราวะเจียมทํากิจนะของคาราวาเจียอมเราก็ทํากิจของเรานะเราทํากิจของเราให้ดีนะในแต่ละขณะนะี่ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนะี่ยนี่คือการทําเหตุนะนะกิจที่ดีก็คืออะไรกิจที่ไม่เบียดเรียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนเองนะกิจที่ดีคือกิจที่รู้ รู้ทันนะรู้ทันกายรู้ทันใจนขณะที่ทำอะไรก็รู้ทันร่างกายรู้ทันจิตใจนะกิเลสจะมาหอกรอกแบบไหนอ่ะรู้ทันนะร่างกายแสดงความทุกข์แบบไหนก็รู้ก็ดูเขาเนี่ยนี่คือเราทาเหตุแบบนี้บ่อยๆนะปัญญาก็จะค่อยสะสมขึ้นมานะเปนทั้งถ้ามัน เปียนพอระดับได้ระดับหนึ่งมันก็ค่อยๆเห็นเห็นผลทีละระดับทีลระดับค่อค่อยๆแยกได้นะแยกรูปแยกน้ำได้นะค่อยค่อยๆเกิดสติปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยค่อยฝึกของเราไปเนาะให้เราพยายามทําเหตุเราให้ดีนะเดี๋ยวเราได้ยินได้ฟังได้เห็นอะไรก็ย้อนมองมองเข้ามาใส่ตัวนะอย่าไปมองข้างนอกตัวนะ มองนอกตัวก็ย้อนกลับมาหาตัวนะอย่าไปคิดแต่แก้ไขคนอื่นนะเรามาแก้ไขตัวเราเป็นนดับแรกนะนอกจากเรามีหน้าที่แก้ไขคนอื่นเราก็ทำไปด้วยนะแต่แก้ไปบ้างแก้ไปแล้วแก้ไม่ได้ก็ต้อง ย, ยอมรับมันเนาะนะโลกนี้เราจะไป บ, งบังคับจัดการทั้งหมดมันก็ไม่ได้หรอกนะเราก็ทำได้แค่ทำเหตุนะ แต่ผลมันก็มีเหตุปัจจัยอีกหลายอย่างที่เราคาดการไม่ได้นะก็ให้เราพยายามทำความเพียรของเราแบบนี้เนะเาะเก็บากไว้นะ